ธตรมารยกตัวอย่างมาเพียงสามอย่างก็พอแล้วเพราะเวลาก็จะหมดอยู่แล้วว่าเราจะเห็นตัวกูของกูนี้เป็นมายาโดยหลักของปฏิจจสมุปบาทก็ได้หรือว่าอีกวิธีหนึ่งเราจะเห็นอารมณ์ทั้งหคือรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นมายาโดยหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้หรือว่าเราจะเห็นสุขเวทนาว่าเป็นมายา โดยหลักของการเห็นว่ามันเป็นของปรุงแต่งหรือเป็นเพียงสังขารเท่านั้นไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างนี้ก็ได้ทั้งหมดนั้นจะเป็นได้อย่างนั้นก็ดูให้ดีหรือระมัดระวังให้ดีมีสติสัมปชัญญะกันให้มากตรงขณะที่อารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นเอง เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านกำชับพระภาหิยะให้เห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินอย่าให้ปรุงเป็นเวทนาหรือถ้าปรุงเวทนาแล้วก็อย่าให้ปรุงเป็นตัณหาก็ได้อย่างได้อีกทีหนึ่งแล้วก็ไปสนใจเรื่องว่างเรื่องวุ่นให้มากที่สุดพูดเพียงครั้งเดียวหรือฟังเพียงครั้งแรกเนี่ยพอเข้าใจเรา ต้องไปสังเกตจนจับให้ได้ว่าเราเองนี้แท้ที่จริงก็มีว่างอยู่มากเวลาที่เราว่างไม่วุ่นหรือมีสติปัญญามีอยู่มากวุ่นหรือความรู้สึกเป็นตัวกูของกูนั้นมาเป็นพักๆคราวๆที่เรียกว่าความเกิดนั้นมันมาเป็นคราวๆเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีแต่ว่าขณะที่ไม่เกิดนั้น ไม่เป็นทุกข์เลยและมีอยู่มากแล้วคนก็โง่เองมองข้ามไปเสียเองคือมองข้ามนิพพานที่มีอยู่เองไปเสียจึงมองไม่เห็นว่ามีนิพพานแม้เป็นนิพพานน้อยๆยนิพพานชิมลองก็จริงแต่ว่าก็เป็นนิพพานอย่างเดียวกับนิพพานจริงหรือนิพพานถาวรเพียงแต่ว่ามันไม่ถาวรเพราะว่าเราไม่สามารถป้องกันโรคไม่สามารถทาลายโรค โรคจงมาแทรกซดเป็นพักๆนิพพานก็ขาดเป็นห่วงๆถ้าใครมีบุญคือฉลาดถึงกับรู้ว่าโดยที่แท้พื้นฐานนั้นมันว่างหรือเป็นนิพพานอยู่เองแล้วเรื่องมันก็ระวังอยู่แต่เพียงว่าอย่าให้ของใหม่เข้ามาแทรกแซงเจ้าบ้านว่างดีอยู่แล้วแขกอคันตุ ก, กะนั่นคือวุ่นเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเข้ามา ไล่มันออกไปไม่ให้เข้ามาในบ้านในเรือนของเรามันก็ว่างอยู่ตลอดเวลาได้วิธีไล่ออกไปก็คือวิธีปฏิบัติธรรมะตามหลักของพระพุทธเจ้านี่เป็นเหตุให้เกิดกําลังใจเกิดความเชื่อคือศรัทธาแน่นแฟนในธรรมะเกิดวิริยะความเพียรออจริงในธรรมะเกิดวิมังสา สอดส่องอยู่เสมอแล้วมันก็สำเร็จเป็นของที่ไม่ยากแต่ถ้าว่างงในตอนแรกแล้วมันยากอย่างยิ่งคือว่ายากยิ่งกว่ากลิ้งโครกขึ้นภูเขาแต่ถ้าคลามถูกเงื่อนถูกปมแล้วแล้ก็มันง่ายยิ่งกว่ากลิ้งโครกลงมาจากภูเขาอีกทีหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เรามีความรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าลืมและอย่าประมาทคอยจับให้พบความว่างและความวุ่นที่เกิดอยู่เป็นประจำวันคำว่าเรานี้หมายถึงจิตไม่ใช่เราคือตัวกูของกูให้มีจิตรักและพอใจในความว่างคือนิพพานนี้อยู่เสมอไปอย่าได้มีจิตโน้มไปในทางที่เข้าใจผิดไปหลงสิ่งที่วุ่น เดี๋ยวนี้ปัญหายากที่สุดมันอยู่ตรงที่ทุกคนไม่ชอบความดับทุกข์จนไม่กล้าจะยืนยันว่าเกิดมานี้เพื่อไม่ทุกข์มันกลายเป็นว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็ได้เอาทั้งนั้นก็แต่ให้ได้ตามใจตัวสนุกสนุกก็แล้วกันก็เลยปล่อยตามเรื่องไปหมดที่จริงเรื่องดับทุกข์นี้มันไม่ยากไม่เหลือวิสัยอะไรมันก็พอๆกันกับการงานต่างๆแต่เราไม่เข้าใจ เราหันหลังให้เพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์อยู่เรื่อยเป็นอันว่าความหมดโรคหรือไม่เป็นโรคทางวิญญาณ น, นี้มันอยู่ตรงที่รู้จักทำไม่ให้ตัวกูของกูเกิดขึ้นมานั่นแหละคือความไม่มีโรคซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นลาบอย่างยิ่งคำนี้เป็นคำโฆษณาชวนเชื่อของคนขายยาครั้งพุทธกาลว่า โรคขยะปรมาลาพาเที่ยวร้องกล้องไปตามสี่แยกไปตามถนนหนทางมันไม่ได้หมายถึงโรคอย่างนี้มันเพียงเป็นโรคปวดหัวปวดฟันหรืออะไรทํานองนั้นโรคทางวิญญาณของพระพุทธเจ้านี้ท่านหมายถึงโรคที่เป็นทุกข์อย่างยิ่งซึ่งเป็นโรคอย่างแท้จริงอย่างนี้แล้วความหมดโรคก็ต้องจริงถึงขนาดนี้ เราพ้นโรคอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ก็ เ, เป็นการพ้นโรคอย่างตัดทางค่าประหารตัดทางค่าวิมุตมันพ้นโรคโดยโคอินซิเดน์บังเอิญอยู่เป็นประจำวันอยู่เหมือนกันโคอินซิเดน์ก็มีมาอีกรูปหนึ่งคือว่ามีโรคฟุกขึ้นมาแทรกแซงอยู่เสมอเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีเราอย่าลืมว่าพ้นโรคเป็นประจำตามธรรมดา โดยมารู้สึกตัวนั้นก็มีอยู่เรียกว่าตทางคาวิมุตที่นี้บางคราวเราตั้งอกตั้งใจควบคุมมันก็วางได้มากกว่านั้นอีกผลจากโรคได้มากขึ้นอีกอย่างนี้เรียกว่าวิคัมพนาวิมุตเราเราคอยคุมมันไว้ถ้าเราจัดการเด็ดขาดเลยถอนรากถอนเงาถอนเชื้อได้หมดเลยอย่างนี้เรียกว่า สมุดเฉดวิมุตตหรือสมุดเฉดปะหารคือฆ่าตายเลยไม่เพียงแต่ฟรุกหรือไม่เพียงแต่ข่มขีไว้ชั่วคราวตามธรรมดาเราจึงได้ผลอย่างน้อยก็ได้ผลเป็นแต่ทางคาวิมุตได้กำไรมากอยู่แล้วถ้ามากกว่านั้นก็เป็นวิขังพนาวิมุตตและเป็นสมุดเฉดวิมุตซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายไปเลยเราไม่ได้เป็นอยู่ด้วยความโลภ ความหลงและความไม่ปรารถนาต่างๆแต่ว่าเป็นอยู่ด้วยความเกรเซมเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเป็นความไม่ทุกข์ไม่ร้อนเป็นความสดชื่นเหมือนกับภาวะแห่งความหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักแก่เท่าเนี่แหละคือความหายจากโรคทางวิญญาณในที่สุดนี้ ก็ขอให้เราทุกคนที่รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มของพุทธบริษัทนี้รู้จักความมุ่งหมายอันแท้จริงของการรวมกลุ่มถ้าเห็นว่าดีว่าจริงอย่างนี้แล้วก็ช่วยกันสามัคคีในการที่จะเสียสละสิ่งที่ถูกกว่าเพื่อซื้อเอาสิ่งที่แพงกว่าดีกว่าประเสริฐกว่าเข้ามาให้ได้คือช่วยกันรักษากิจการนี้ไว้อย่าให้ล้มไปให้เจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองแก่เพื่อมนุษย์ทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเกิดมาทีหนึ่งได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะทำและจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมันมีเท่านั้นเป็นอันว่าจบเรื่องที่จะต้องเรียนจะต้องทาหรือว่าจะต้องเสวยผลของการกระทา และมีชีวิตอยู่โดยไม่เป็นทุกข์เลยทั้งในขณะสแสวงหาและขณะบริโภคเมื่อประกอบการงานเพื่อสแสวงหารวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนการทำอาชีพเหล่านี้เป็นการสแสวงหาขณะนี้เราก็ไม่ทุกข์ครั้นได้ผลเป็นเงินเป็นทองทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรมาบริโภคมันก็ไม่เป็นทุกข์มันไม่เป็นทุกข์ทั้งสองสถานอย่างนี้ มันก็วิเศษอย่างยิ่งเหมือนกลับไปจับปลามากินไม่ถูกเนี่ยงปลาต่ำได้ปลามากินแล้วก็ไม่ถูกก้างปลาเลยเมื่อจับปลาก็ไม่ถูกเมื่อกินปลาก็ไม่ถูกมันก็หมดกันเท่านั้นมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นขอให้ทุกคนรู้จักโรคทั้งทางกายและทางจิตและทั้งทางวิญญาณกันให้ครบถ้วน อย่าให้ขาดตกบกพร่องว้าแหว่งแต่ประการใดแล้วแก้ไขเยียวยามันไปทุกโรคให้เป็นผู้ไม่มีโรคและชื่อว่าอรรขยะปรมาลาภาทิแท้จริงอัตมาคอยุติการบรรยายตามโอกาสนี้เพียงเท่านี้